วันที่ห้าลาและเบื่อฉันตื่นตอนตีสี่ด้วยความฟืดฝืนตามเคยเอจะต้องฝืนไปอีกนานไหมเนี่ยนึกว่าสองสาวันคงชินแต่ไม่เห็นชินสัทียังต้องลุกทั้งโดนขี้ตาบทบังทัศนวิสัยอยู่นั่นแล้วให้กำลังใจตัวเองอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ฉันเลือกเดินในทางที่เหล่าอริยะเจ้าท่านเดินกันด้วยความสมัครใจของตนเองซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทางสบายโรยรายด้วยกลีบกุหลาบเริ่มก้าวแรกๆอย่างนี้ต้องมีบางสิ่งบางอย่างบ่งบอกว่าฉันยังเพียรพยายามเพื่อความคืบหน้าอยู่ในทางและการตื่นนอนก่อนเวลาปกติหนึ่งชั่วโมงก็คือเครื่องชี้ของฉัน ฉันนึกว่าตนเองกําลังอยู่ในสังสารวัตรซึ่งหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆด้วยความไม่รู้แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสังสารวัตรช่างเต็มไปด้วยแรงดึงดูดมหาศาลไม่ต่างจากโลกใบใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนไว้ไม่ให้ลอยออกนอกอวกาศง่ายๆใครทําได้ก็ต้องใช้งบมโหราณระดับชาติ แต่แม้ยากเพียงใดในที่สุดมนุษย์ก็เอาชนะแรงดึงดูดโลกจนได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและเหล่าอารหันตสาวกได้เอาชนะแรงดึงดูดของสังสารวัฏสาเร็จมาแล้วเป็นพันๆปีอ่านจากพระไตรปิฎกแล้วความจริงพระสาวกผู้ปรารถนามรรคผลในสมัยนั้นลำบากบำเพ็ญเพียรกันในป่า ทำกลางพยายนตรายนานาชนิดด้วยซ้ำนี่ฉันปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนอันอบอุ่นปลอดภัยจะยี่ระกับการตื่นเช้าเข้าไปอีกกระนั้นเหรอการเพียรพยายามหนีแรงดึงดูดของสังสารวัตอาจเริ่มด้วยจุดเล็กๆ เ, เช่นการเอาหลังตัวเองออกจากแรงดึงดูดของที่นอนนี่เอง มานั่งหลับตาพยายามตั้งสติแบบมึนๆรู้ว่าลมออกรู้ว่าลมเข้าประมาณสิบหนก็เบลอหลายวันแล้วยังไม่พ้นจากจุดนี้แต่ดีที่ฉันคอยจดความคืบหน้าไว้ทุกวันอย่างน้อยที่สุดก็รู้เราว่ายังไม่มีสติแข็งแรงพอจะเท่าทันลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นอัตโนมัติ ระหว่างทางขับรถมาทำงานฉันพยายามรู้ลมไปด้วยแล้วก็สงสัยตัวเองไปด้วยว่ามาถูกทางหรือเปล่าหลายวันแล้วไม่ก้าวหน้าสักทีเหมือนต้องขึ้นต้นใหม่กันอยู่เรื่อยแต่เนื่องจากคิดตกไว้เสร็จสับแล้วว่าสติปทานสี่คืออะไรปฏิบัติอย่างไรตามลำดับหนึ่งสองสาม ฉันจึงยังไม่อยากทิ้งความพยายามสะก่อนเห็นผลก้าวหน้าเพราะที่ผ่านมานานนับปีเห็นมากพอแล้วว่าการเปลี่ยนแนวทางแบบจับจดและจับชยัยไม่สามารถนำมาประเมินได้ว่าคืบหน้าคืบหลังไปถึงไหนบัดนี้เมื่อคิดจะไต่ลำดับสติปัฏฐานสี่ไปอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าตัวเองยั ง, ย, งย่ำอยู่กับที่ ยังไม่มีสติเพียงพอแม้แต่จะรู้ลมหายใจโดยความเป็นของเกิดดับตัดความลังเลสงสัยทิ้งเหลือแต่ความมึนอันเกิดจากการตื่นเช้าและการพยายามนั่งจดจอรู้ลมหายใจฉันคิดถึงที่ตกลงกับตัวเองไว้คือรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าไม่รู้ก็ช่างมันไว้ก่อน ถึงบริษัทเข้าประชุมตามหน้าที่เห็นหน้าประปักอยู่ในห้องประชุมด้วยแล้วเหมือนมีเครื่องเปล่งรังสีทรมานลูกตาฉายออกมาตลอดเวลาให้ตายเถอะทำไมโลกต้องมีคนที่เราเห็นแล้วรำคาญใจด้วยมีแต่ที่มองแล้วสบายตาหน่อยไม่ได้หรือยังไงถ้าจ้างได้ฉันจ้างให้ลาออกไปเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทางานแล้ว เส็งขี้หน้าจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซักอย่างทั้งงานทางโลกทั้งงานทางธรรมฉันพกพาเอาความเบื่อหน่ายและอ่อนล้ากลับบ้านถอยกลับไปเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่รู้สึกดูถูกตัวเองนึกถอดใจว่าคงไปไม่ถึงไหนหรอกแบบเนี้ยรู้แค่ไหนเอาแค่นั้น เอาเถอะตอนนี้ขอรู้แค่ว่าอยากนอนก่อนละกันฉันลงนอนอย่างเต็มอกเต็มใจไม่โทษตัวเองไม่ขยันขยอให้เดินทางไปสู่ความหลุดพ้นที่ไหนอีกแล้วเหนื่อยเหลือเกินโลกนี้ไม่มีอะไรสมใจเราสักอย่างคืนนี้ฉันแค่ยอมรับความสามารถและข้อจำกัดรอบด้านของตนเองนี่แหละ พระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ในชาลิยะสูตรว่าคาวราวาดเป็นทางแคบเป็นที่มาของฝุ่นละอองขอเพลินโลกให้พอก่อนก็แล้วกันแล้วตอนแก่ค่อยหันกลับมาปฏิบัติธรรมใหม่พอถึงวัยหมดหวังหมดอนาคตจริงๆค่อยคิดบวชสละโลกให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกทีจิตหดหูพาความคิดฉันไปไหนต่อไหนเรื่อย คืนนั้นฉันโยนสมุดพกทิ้งถังขยะฉันมาถึงเพดานจำกัดของคนธรรมดาแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกผิดนักที่จะเป็นคนธรรมดาต่อไป